โตีห่ามก็ยังกลับคนไทสีแกงเทวดาลอกลับยูต่อไป่ได้ทันแกงเพราเขากลับเลตีหาแหละไอ้สีแกงเาะเทวดามาฟ้องเทเทวดาถามปัญหาถามถามใบก๊ับยอดได้แก่อะไรท่านอาจารย์เทวดาถามปัญหาผมไม่เาพ่อทต่ตาบ้านเ่ย สามใบกับยอดให้สิตอบได้ปัญหาเทวดาไม่ทันตอบก็สามใบจะได้แก่ศีลสมาธิปัญญายอดจะแก่พนิพาณโอ้ถูกต้องแร้วอาจารย์เสนอถูกต้องปัญหาเทวดาก็าคือปัญหามนุษย์เนาะ สามใบสีนิสมาธิปัญญาเมื่อเจริญให้ยิ่งให้กล้าแล้วพอถึงรันิภาพในขี้หยอดสิ้นทุกโมดิสุดหมดจดได้หลายวันสิสิไปแยกไปแยะว่าต้องกลมเกลื่อนดันไปถ้าถึงที่สุดแล้วมันตัวหูเองละไม่ต้องไปแบ่งไม่ต้องไปมีใครมารับประกันให้เรา การปฏิบัติการบมเช่นนับแต่ศีลสมาธิปัญญาผู้ใดปฏิบัติกับหัวเองให้เราสายศีลบปเราสายศีลหาเาสายศีลแปดหมดจบที่หนตัวกัลูดนะเรไม่ใค้ลับล้อม <c oughs> บอกว่าแล้วคอหายา่างแปดยา่าง มันเล่นด้วยมันเล่นปฏิบัติเล่นซีนแหละอันเนมื่อใดเมื่อสงสัยก็เลยมาถามเนี้ยมันยังถามยังหีิเยอะมันยังเป็นหลูกๆค้ำๆอยู่เน้ยยังสงสัยอยู่โอ้ยเป็นา่าว่าให้กินเหล้าอันนี้อักษาสินหาให้ดื่มกินสุราไปจะหาเไปมันจําเป็นเนี้ยเจ็บป่วยทิจําเป็นอยู่ในเมืองน า, นาว นี่ผมมาถามเนี่ยเมื่อหนาวเขาต้องกินเหล่าเพื่อให้มันอยู่ได้เพื่อให้มันหอนยังบ้นหนาวตายเลือดจะมาแข็งมดมันมีคอย้อนเหรอมันมี่คอยแอนมันสีรักษาสินหางสิปฏิบัติตามพุทธบัญญัติมันนากว่างคงไฟผีเขาตัวตองกินยังเหล่าแก่ หาอยู่บนปหนนัหามนกัแต่มันยังมีแน่สงสัยมีแน่แก่อยู่เยมันยังเป็นศีลนแ่มันล่งบริสุทธิ์ทงคิดใจแ่มีแน่แก่ว่มีมมขอยแย่งแบบต้องปฏิบัติไปแล้วภาวานาจนในจิตมันสงบ ว่างสัญญาอารมณ์มันร่วมเข้อสู้ข้องเป็นห น, นึ่งนะมันจะเห็นคุณนข้าของธรรมะยังเห็นคุณนข้าของมศีลสมาธิปัญญายังเห็นคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ไมีคุณขนาดใดท่านคิดใจว่าท่านสงบว่า่นขาดจากสัญญาอารมณ์ว่าท่นร่วมเข้อสูขอส้ขวองเป็นหนึ่งแบบว่าท่เห็นแบบว่าท่เห็นคุณค่้า มันเห็นโดยตนเองนะแลัวควันมันก็มี่ของดีกว็วค่อนยี่เลยตัวเขางมันนี่เลเนาะ <c oughs> หมดนี่ก็ได้ออว่าจะตัวดีกว่าเขาหมดยังมีของมีเศษกวัวคนนดี มันคืหวงไข่มันเนี่ยมันว่วดด็ดปอยไข่มันถิ่นเนี่ยมันติไปมันขนไข่มันขาบไข่มันวะว่างสุ่มหนึ่งยกุตีหันมดดันแดงเน่้อยมดดันมดส่งมดดันที่มันนละในว่น้ำปลาอ่ทมันนี่มดขั้นดำสุ่มหนึ่งมดขั้นดงสุ่มหนึ่งไปกินไข่มันอ่ามันไปมันมันไปลบกันมันไปแย่างกัน ขั้นดําจะไปกินไข่งมดเองแดงสมโมดแดงสมขนไข่ไอ้ว่นนีวันอยู่วนี้วัอวนวอยู่ขนมาอยู่เทดดันเท็ดดันกุฏีอายุกลางเท็ดดันไข่ไปไปร่วมกันหรือเกาะกันพกนกันห่มไข่ไว้สุมนึ่งกรลาดตะเวนหมดดําไปข้าวข้อไป หมดมันยังหูจักรักษาของหวงแหนมันคือลูกมันลูกเนี่ยเป็นค้องหวงเห็นว่าสัตว์เดีคน <c oughs> ปกป้องเ <c oughs> นี่ยว่าสัสตว์ญาณองป้องเป็นพ่อเป็นแม่รับผิดชอบให้ลูก ไม่ลูกไม่ใครมดกับใครนะ่ะเป็นลูกมันนั่นกัยังรักษามันกับยังปล่อยถิม่มปล่อยทุงข้นวางข้นเหมือนเอาไปถิม่มนะออกลูกมากเหมือนาไปถิม่มมารักษาถิ่มได้ทั้งขยะอย่านี้เขาล่มงข้าวอยู่ที่เกินทั้งขยะกับนี่เอาไปกินตาแดดาด้วยทํามทากินไม่ข้นไปเห็นกินไม่กองยังเยอะ กองขี่ฟอยนั่นกับว่ามันมีได้ทำนี่ได้ทำพระพุทธเจ้ามีเท่กันเนี่ยลูกไปกินกองยังเยื้อโกมารพัดเนี่ยบอกโกมารพัดเป็นอาจารย์ของหมอในโรกเนี่ยเป็นลูกของพวกผู้หญิงหากินผู้หญิงหายกินไม่โลกเลรอขันเราลูกมากเป็นผู้หญิงเขายังเลี้ยงเอาไปหากินน้องกัน ออกเป็นผู้ส้างแล้วไปทิมอ่านออกเป็นผู้สร้างที่แบบาดให้เขาไปทิมไลยกองขยะขอมบาลพันธ์ที่มีกองขย ะ, มมะพระเจ้าอาให้พระเจ้าอาให้เป็นหลูกเลี้ยงของพระเจ้าพิบิษฐานอีสามเสด็จประพาตพนครขอนเที่ยวเมืองเหมือนเท่าวะไปไปหอดกองขยะเนี่ยเห็นได้ง่าย น, อนอั่นโยกองขยะมนก็ได้ ล, ล้มไปอุ้เอา ม, า เ, เ, เ, ม <c oughs> เอาได้เอามาเลี้ยงเลี้ยงเป็นลูกมันมีบุญเอาไปทิ้มเลยก็ลราซาหมาก็ซัดก็เป็นพ่อเอามาเลี้ยงเลยเอาเลี้ยงง่ายมากก็ส่งไปเรียนวิชานั่ทิศประโมงตั ก, กาศิลาสอบ พิชชาแพทยศาสตร์เนี่ยเรียงยาเรียงรักษาคนเจ็บค น, คนป่วยเลี่ยนจนจบมาเนี่ยพอจบแล้วเขามีเห็ดทั้งวิทยานิพนธ์ขึ้นนี่กรสุ ม, มือติดทดสอบต้องรู้อันสุดท้ายพอจบแล้วอาจารย์ได้สั่งว่าให้เทอไปหาต้นไม้ที่ไม่เป็นยา ต้นไม้ที่ไม่เป็นยามาเอาป้าไปห า, าบา่าางงานาาีไม่ได้กล้ามากเลยร่างงอาจาจเนบ่มีต้นไม้ที่ไม่เป็นยาเลยนะี่ต้นไหนก็เป็นยามดได้จ บ, น, บ น, นั่นแหละถ้ามิทายาคนจบได้ต้นไม้ที่ว่าเป็นยาไอ้นี่เป็นยามต้นไม้ ชอามากพระพุทธเจ้าสเสด็จราชคืบเรียมไส์ไาวา้เป็นอุปถากรว่าเป็นหมอประจำเป็นหมอประจำราชสานักเป็นหมอประจำพุทธสานักประจำพระพุทธเจ้าให้รักษาคนเจ็บคนให้ให้ท่านไปไปม่มีเงินมมีท้องรักษาฟรี อั น, นีม่มันมีถ้ให้ค่าตอบแท่นไห้ทยถบำบนไปมาแต่งงานโมหนีเนี่ยมนี้ลูกถว า, ายรัตทิวันสวนตานเป็นสังฆาล่ามเป็นที่ประทับของพระวุทิเจา้าพรองคิทิศสงูงแล้ว ย, ยังสมัยใบแาลตไากับไปได้บอลร้รงพยาบาลที่บกโกมาลัด อยู่หลัดสกคืนไอ้ตอหาหอกกับ ไ, ไอ้เดีวบอกกั น, ออนแล้วถอนเราก็ไม่นันสมญญาอธิษฐานเอาไว้แก้โรคแก้อะไรไอ้เราก็ไปถอนเราเด็ดความดียังยังง่งยืนมาจนถึงทุกวันคนเท่านี่บาปก็มีนี่บุญก็มีในพูดถึงกันไม่วนครับไป้ทีมเราต้อนมีผู้มาเลี้ยง ยังได้เหลี่ยมไส่นี่ยถ้ำคําอสอนเข่าใจเนี่ยถมะของพระพุทธเจ้าเป็นคนดีไปเป็นค้นมิบุญไปเพิ่มบุญไปมดมั่นก็ะทั้งหน้าที่ข้อมเป็นแม่เป็นพ่อของมัน่นมันก็ยังรักฮักลูกมัน่นข้นเพืเ่ออะไรวะฮักลูกครับเจ้ากระสุนมดแล้วอเนาะตัวใกล้ไว้ได้เลยใกล้ท่ า, าลูกหากินเคีย ว่ามี่แล้วมี่นีมากเลยให้สัญญาณลูกเจ้าว่าเดียวลูกขึ้นเตะโอกรอยสุ่มลูกไว้มันยังรักลูกของมันยังเลี้ยงลูกมันคนเาพ่อแม่ก็รักลูกด้วกันเขาเขียนป้ายนึ่ไงว่าอันออาก็จื้อลืมระดับลดแรงทางด่วนมา ก, กป้าย แม่ทุกข์ยากลำบากยังเดาเช่นไะเข้านะพรรษาอดเล่าเพื่อแม่สิบ้างอาจารย์ไหนะมงดงดเล่าเพื่อแม่บ้างอาจารย์ตนนั้นเรากินป้ายใหญ่ๆเลยนะค้นโมโหจะพ่วงไรคนบ่มีปัญญาคนบ่มีจิตสานึก โมูหจับกันได้ดีได้บ่ดีเนี่ยทันก็ให้สู่ไปสู่วัดก็ได้ดไไหแหละเ <c> ก <oughs> ิดตปลูกมากมกับว่าสมฤทธิขุณพ่อขุนแม่เอาแต่แนวเม า, ม า, มาแม่วมากมีอะไรเจือของแม่เม่าแม่เจือของแทนที่พ่อแม่เลี้ยงมากด้วยเพิ่มเสียสละ ต, ตารับครับตาแนมอย่างง่ายแล้วคิดว่าสะได้พิ่งท่าอาศัยจะได้พึ่งเกิเพึ่งตายก็ยไปหาแนว เป็นผิดเป็นไพ่มากเบียเ์จะของว่าทับทมจะของจะได้บ่ได้สดใสคุ้นวามนดีอย่างเดียนว่าเด็กเขาเด่กตะขืนตายฮอเหว่ไปกลางกุงผู้หูจับดีหู้จับของบ่ดีพืตนหรือน้ำตนทําให้สิ้นที่เป็นประโยชน์ได้ยังเป็นคุณธรรมเป็นค้อมดี มุเป็นกุศลไปดีก็หมดดีก็ไกลไกลมันไกลมันมีอุปกร ะ, ละแล้วว่าลูกมันนั่นสิอุปกร ะ, ะพ่อแม่แล้วว่าลูกมดลูกไกลสิพอเคยมีแล้วเห็น่ามีนัสอันก็บอดีท้าวนคนมองหัวใจอุปกรณน ครับคือกังกับมดกับไกลเนี่ยลูกลูกมดลูกไกลเห็นลูกนกแขกเต่าคือลุงกูทอนวนเทนมีอุนนอปรกรณอยู่เด็ด น, นกแขกเต่าตาบอดพ่อแม่ตาบอดไปให้กินเลยเลยไปกินไปกินข้าวสลี่คาบห่วงมากถาม่าเงินละสองห่วงสองห่วงใหม่พอกแม่ คนสุ่ยไทยจะค้องหน้าเห็นหดักจับได้ให้รู้เลี้ยงว่ากตัญญูพ่อแม่ถ้าบอดเอาไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่จะเริเป็นครอบดีทําไม่จะคล้องหน้าก็เมตตาสงสารอีกให้อภัยจงเข่าไว้ให้อีกนี่เรี่องครอบดีมันเกี่ยวกูลกันทําให้เกิดครอบซุขนี่นกนกมุขขุ้นพ่อขึ้นแม่ นกก็ดีซ้ำค้นข้นหูจับคุณพ่อคุณแม่เลยว่าดีเท่านกอีกแหลธทรมามีอยู่ทัวทีมผู้ใดมีปัญญาให้สลาดให้ใส่การภาวนาจับจักรักษาตนได้จักปฏิบัติความดีใส่ตนได้ รับควางเป็นไปภานุงภาห้มกันหล่อนกันหน้าพันบร้านกับปูกฝ่ายเก้นให้ฝ่ายน้ำก็มีมาขายกันสร้างก่มีงันสื่อก็มีนุง <c oughs> ที่ยัวใสเยื่อนด้านบ้านส่อง คมล่ันนีต้นฟไล่ำฟอต้นฟอแดงลอกฟอมาเห็ดได้เที่ยวหยามุ้งได้มีไม้ไผสักฝ้าปูได้แอมได้เอาือเอาแวงแอมมือนียพุทมันทิมได้บาด้าพือปาแวงน้องเวันพุิมด้ว่ามีหาแวงอแอมเฮียน่มี ต้องไปใส่เ ง, งินอีกยารักษาโรคบ้านนปลาน้งดงก็มีแตะกอนเมื่อตรงแลนเขาล่งไยาบา น, บ น, านวัดว่มีเงินก็ไม่ได้เฮ้ยมีแต่แน่สิตายมีแต่แน่สิตายซื้อๆลเพราะว่า พ, พ่อฟึ่งจะคล้องวันโลรานฟึ่งจะค้องฟึ่งสิงทีมีอยู่กับซีวิตไกลๆเรียกว่าเป็นทุกข์ อยู่ไปกินไปอยู่ไปกินไปตายไปคือค้อนโบรานก็ยูค้ อ, คอนก้าสิบแฟดแอร์ก้สิบปีร้อยปีอยู่อันว่าม่นจะเล่นเวลาอายุยืน่นสมมติเนี่ยย่างกันตายเร็วของกินหลายกินแต่ของเก่เล่นจะเล่นให้ตายเร็ว เกินพอดีอยู่พอดีพอดีเห็ดไ้เห็ดหน้ามีเขา่ามีนม้ามกินมีพับนีมีกินพอชีวิตเป็นไปด้วยถาดด้ว ย, ด, วยด้วยถาดอาศัยถาดเป็นอยู่สุดท้ายก็สลายลงสูขข่ความเป็นถาดเท่านั้นเ ห, ห็นหูวจักพอดีหัวจักพอดีหูวจัก ประกอบสิ่งที่เป็นอยู่กับชีวิตบ่หลงคว่ำเจริญหลงคว่ำเจริญมั้นเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องคว่ำหลงอ่ะเรื่องคว่ำหลงเรื่องกิเลสเนี่ยเขนบอกไว้เขาเห็นรถมาเห็นมาซุนนี่กระซื้ออันหนึ่งมันซาสิาส้นซาเขาคือเฮ็ดมารุ่มไม้กรซื้อสิ้สนซาเหา็นมารุ่มไม้กรซื้ อ, อ น, นีจ้าสัตว์ เห็นว่าความหลงกิเลสภาพเป็นไปาจึงวุ่นวายชีวิตไล้มีแต่ความวุ่นวายว่าวมีความสงบสุขว่ามีความร่มเย็นเพราะว่ามีความพอดี่มีความพอดีเพราะว่าอาศัยธรรมะอภิชตาธรรมความรู้เท่ารูประมาณใหการให้ความเป็นอยู่ของชีวิต เพ่งพาอาศัยประเจี๊ยดีทันหูวจักข้อมพอดียังเสร็ น, นั่นยังคอยมีความสุขได้คิตใจเกิมีความสุขความสุขที่แท้จริงเนียยืที่ใจนั่นแหละใจมันมีความสุขนั่นใจมีความสุขใจมีความพ้อใจมีควอมพอดีนั่นแหละความสุขมันจะวันหัน ใจว่ามีความพ่อดีเลยหาความสุขไว้เลยหาไปทะดลแห้งวุ่นไปเท่านั้นดินไปทะดลแห้งพันไปเท่านั้น ป, ปูพันยังเทิเรื่อยแต่ขีดพันยังว่าลิ่นติด ต, ตังดินไปพันไปดินหาความสุขเพมันดินหาอย่างเอาปูหัวเจ้าว่าสุขมันอยู่ใสคิดว่ามันอยู่ทั้งนาเรื่อยไป ความสุขยื้นสิ่งนั่นยื้น้ำสิ่งนี้นยื้ว น, น้ำวัตถุอันนั้นอันนี้ไปเรื่อยไอ้ดินหามันเลยว่าพอเลยว่าเจอเห็นว่ลาลื่นติดตั้งลื่นติดตั้งลงปูเห็นว่าขอาเสียงมะปูวันในลื่นมันคยลงมาเล็งเสียงปูหรอกเอายางไหมเอาตังบักยางไหมไม่ยางเหนียวเคลื่อนตังาลาดใบลาดว้น้าเฟียง รีบ ล, ลงมามันก็นมาจับจับติดมือตีดมือเออตีนจับติีตีนอปากกัดติดปากอาบมา ก, ก็นอนงกิ่งอุหลุมไปเลยไฟไซเไอร์เลยร <c oughs> ียงติดตังในขึ้นกันหาความสุขหาความสุขทั้งออกหาไปทั้งได้ท่านไปด้ใหญ่ใหญ่ อันย่อนเขาม่าว่าโอ้มันอยู่บนยิ้มใจมันจะควอมข้อมันจะค้อมข้อดีพ้อดีในความเป็นอยูไม่ปัจใจซียินดีสิ่งที่มี่อยู่ที่อาศัยได้อยู่ได้กินได้แต่เลยมี่ข้อมสุกยู่วันนี่ย่วันข้อมข้อดีนี่มัยังว่าธรรมะธรรมะคนสอนไหวยังอ่านคนบอกไหวย่างอัาน สันทุตีท้ำยินดีในสิ่งที่มีตามมี่ตามใดโบห้มันกำเลิกเสิบสามจนเลยขอบเขตไปนี่เขนเรียกว่าคิตใจไม่ถ้ำ <c oughs> ขาดถ้ำหลือวุ่นไวฮะมอนีวันแปดคำต่างเจตนารักษาโวสดศรรสีนสินแปดเจตนารักษาเอา <c oughs> มอกให้สมาท่านมาสิผาคำจะให้สมมตท่านเพสมมท่านมันสะลืมมันสะลืมวัฒนธรรมเดี๋ยเนี่ยเขาส่งเสริมวัฒนธรรมหัวใจวัฒนธรรมรักษาวัฒนธรรมของชาวพุทธชาวพุทธไทย สมาทานวัณพระวันศีลสมาทานอุบโบสถศีลสมาทานแล้วก็เกตนาตั้งใจรักษางดเว้นจากโทษยังใครจะเป็นศีลยังจะเป็นความสุขตายสบายใจให้เกิดขึ้น <c oughs> นว่าให้สมาทานก็เสีลืมไปเลยเล่มดไปเลยเขาเรียกว่าทิงวัฒนธรรมวัฒนธรรมอันดีงาม นี่การสมาทานศีลสมาทานแหละจะรักษาครูบาอาจารย์เป็นสอ น, นว่าศีลอยู่ที่การรักษากายว่าใจใจเพาราะสั้นเจตนารักษาไม่เว้นจากโทษก็เป็นศีลขึ้นมาที่ตายสีว่าใจาที่ใจมิใจเป็นผู้สัมผัสรับลูกว่มีเวน้นมีไถ่ใจก็สบายอันนั้นศีลแท้จริงเป็นอย่างไง แทนทีิให้สมมาท่านเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเภทนี้ดีงามของชาพุทธตามธรรมศาสตร์มันยังบ่เป็นภพพระสารีมาเกิดในโลกอีกหยิดโลกนีว่าเป็นของเจริขอยอู่หยิดถากเป็นของเจรองอยู่ ทุกทายส่วนยังว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลเล่าเขาเป็นจำใครให้สักเพียงแต่วะเห็นสักเพียงแต่วะได้ยินตัวอย่างพระพุทธเจ้าประท่านธรรมะให้พระภาคยุคียะี่เทศุทธิกิตสีสิบหาภาษาให้ฟังมาขึ้นสักเพียง แต่ว่าเห็นสักเพียงแต่ว่าได้ยินสักเพียงแต่ว่ารู้ทราบแค่นั้นไม่ให้มีตัวตนไม่ให้มีก้องเข้าไปยึดนี่ลอมท้ำมองดูพระ้ายหิยาฟั่งอยู่กลางถนนนึ่เป็นพาระอรหันต์เนีน่ยิปล่อยว่างเลยไผวาไผเกง ให้ว่าไกงปฏิบัติเอาง่ายๆเลยเล่ามึงดู้ว่าซักเชืองตว่าเห็นซักเชืองตว่าได้ยินมึงรู้ซักเชืองให้ทุกคนว่าสักเชืองตว่าเห็นสักเชืองตว่าได้ยินสักเชืองตว่ารู้ไม่เป็นตัวไม่เป็นตนไม่เป็นวุคิขนเล่าเขาอ่ะมึงรู้มันว่างจากค้อมเป็นตัวตนมึงรู อันนีจะเด็กันยัเป็นพระอารหันต์ไหวๆแต่ว่ววาจะไปส ม, มุดเอาได้ห่ะสมมตุติว่าจะค้องทักเครื่องตะวัะนรูทักเคื่องตะว่าเห็นทักเครื่องแต่ว่าได้ยินมเดียสมมุติว่าจะคล้องเป็นพระอารหันต์ว่าเป็นได้เนี่ยมาได้สมมุดได้พระอรหันต์เป็นเองเป็นด้วยเป็นด้วยคล้องเป็นถ้มได้คล้อปล่อยว่างคล้อเข้าใจ ลอยว่างบ่ต้องให้มีใผ่มาประกาศแหงบ่ต้องให้ใผ่มาให้ใบประกาศได้ยังสิมีใบประกาศถ้าโสดาสกิถ้าค้าหน้าข้าอรหันเนึ้อบ่แม่นของแท้หรือของปอมคือหลังกระเพาะหิยะกระเพาะหิยะเพิ่นเกิดําคัญว่าเพิ่นเป็นพระอรหันค่อนทั้งหลายนับถือว่าเป็นพระอรหันกาวายบูชามาตลอด เช่นยิ่ยาติค่บดาแค่เป็นญาติกันแคยปฏิบัติร่วมกันตะกรยังมาเสือนปฏิปทาของท่านน่ะไม่ใช่ปฏิปทาที่จะเป็นพระอรหันต์แต่ก็ท่านยังบ่เป็นพระอรหันต์และนี้พระพุทธเจ้าเอามาละเนี่ยก็ตายตาอยู่แต่จะคล้องลูกเต่าว่านี่กิจการงานซดเสียมไปเลย ลำบากล่องได้ปะลำบากแบบเทา่าลำบาก ล, ง ล, งละะ่องเลี่ยโอ้คิดอยากบวชแล้วเห็นพระเจ้าเขาสองคนคิดอยากบวชอาศัยพระอิวัตก็ไม่หงมในพันหัวซาดอ่ะอะยู่ไปเสยๆนีนี่ร่างกายสูบขอมม่นมองจิตใจก็พองใสเพราะอยากบวช บวดว่ได้เพรนี่พูเป็นพระละทุละให้เอาผู้เจ้าเัาจึงเรียกกระซุ่มสงเรียกกระุ่มสงถามภิกษุทั้งหลายพว<อ>กเธอ<บ>ทั้งหลายนี่องค์ไหนบ้างที่ได้รับสงเคราะห์จากพ่างคนนี้สารีบุตรกาวทุ่นข้าพระ อ, องค์ได้รับเข่าทพที่หนึ่งพระเจ้าค่ะเอาทายังนั้นสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์บวชให้เธอ่ อันนัมนมได้ข่าทัพที่น่นเรื่ยๆเร่ย เ, เ, เ, เนี่จังหวะมีอเนกนสงมาอยู่ได้ท่านถอทัพที่เดียวอเล <c oughs> รภาษาลิบุตรก็ได้รลับเป็นภาระทุระพอภาษาลิบุตรเป็นเป็นผู้ลูกก่ก